พี่น้องเมืองอุบลบาพักที่วัดใสบาาตอนเช้าอำเภอเขืองในไก่ในเมืองอุบลแต่ความหนาวคงจะไม่เหมือนอำเภอนายูเขอามั่งเนะงเาะอำเภอนายูองเข้าในหนาวอีดีเด้มันลงถึงสองถึงสามเนเคยมีลอรออำเภอนายูองเราเนี่ยหนาวมาก ที่จําไม่ที่จำโบลืมแต่แท้ก็เป็นมือยมพอยมพอของหลงพ่อมรณนะน่ะมือนั่นนักจําม่ได้ว่าเป็นวันที่สิท่านว่านะลงถึง3หนาวจนมีนมีมองอยู่วะ่ะเ่าผ่าหมหรือว่ามีความหมายเลยนักที่ซื่อวะน่ะบอกโบอกอุนแนวสิสูมันไหนมัน หาของฟืดยิงใหญ่สมบัติไล่หนาวสู่ได้เพรา้สู่หนาวได้สมัยนั้นโอมือนั้นเข้านั้นหนาวหนาวที่สุดจำบางเรื่องทางกูเหมือนไปบินดาบไอ้ยอดยาเนี่ยนำข้างโย้ปลายยาเนี่ยแข็งมัดเนยเป็นนำข้างเลยก็มันหนาวกะกัก จากนั้นมากก็บุกค่อยบุกค ย, คยแต่ว่าหนาวอยู่แต่หางบอบ่ถึงขนาดนั้นปีนั้นปีหนาวที่สุดเออเมื่อในหลวงพอ่อเสียวเป็นภาษาบานเท่าฟังง่ายเมื่อในเป็นวันอังคารที่ส3ท่านว่าค่มพุทธศักราช2 5 5หเกเมื่อว่าในหลวงพ่อขอไปตรวจงานที่พวกคู่บาทั้งหลาย ถ้าจะหน่อยเป็นหัวหนา้าเบิ่งเกิดไปเบิ่งงานแล้วก็กำลังทำกำแพงของเราของเฮ้าก็อุดไปช่องนึงละทางหนาวัดใส่ตะแกงใส่ตะแกงเล็ก เ, เล็กแป๊บแข็งแรงก็บอกมันมอหมข้าวหนาเลว่ามันสิเพิ่งออกซิซิโอนไปบาดนี่ มันจิบดดันมันเพิ่งออกมันจะเปิดเองแล้วก็พอหนามมาพอหนามมุดพอนามยบมันก็จะปิดเองมันทดลองเลยสิแต่่าเขาเอาจังหดก็บเบิงกับมันก็เป็นตะกัวอยู่ด้วกันนะฝนอุตรกระไพเมื่อวันที่แปดที่เก่าพฤศ จ, จิกาที่ผ่านมาน่ มันแห้งอิหลีในช่างที่มาจากกรุงเทพที่เป็นผู้ออกแบบผู้ออกแบบกําแพงเข้าเปิดมาเห็นมันก็ห้องอูกเกิดนะมันไปว่าโอ ด, ดูดูแล้วน่า ก, กลัวสะนะินัยมันดูดูแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาในน้นะําเนี่ยมันมกระแทกไปที่ไหนดูซิมันเตลิดเปิดเ ป, ดเปิงไปหมดมนะปัญหา น้ำแรงมากนนะแต่เมื่อว่าเนี่ยพวกคู่บาก็ลงมือเริ่มทํำไปเรื่อ ย, อยล่ะเริ่มส่องไปเรื่อยอ่าจะตกจะตกปัจจัยของศรัทธญาญยาิโยมก็อคอยทยอยขอมาอยู่แล้วก็เรื่องทางกรมการศาสนาเพิ่นกะไฮ ทางวัดของเฮ้านี่ทำเรื่องข้นขอข้นตามขันตอนเพราะความเสียหายภายในวัดเพราะวัดของเฮ้าเนี่นตอกหมมการศาสนาเปิดก็เอาแบบฟอ้องไมห้หลงให้รลวงพอกอกซื้อร่งไปเพราะว่าในหันม่นก็บอกแล้วพหละพอผลมาสํารวจแล้วทั้งโยธาจังหวัด ชนประธานแล้วก็กรมทางหลวงแผ่นดินกรมทางหลวงชนบทเป็นกับเขามาสำรวจความเสียหายในวัดของเฮ้าว่าจะได้สอมแซมกิจเป็นเงินทอดาประมาณเจ็ดล้านกว่าบอเป็นเกอกในตัวหันเป็นกัให้หลวงพ่อลงซื้อเสนอขอความช่วยเหลือ อยากส่วนกลางแล้วก็เมื่อลงพอเส้นแล้วปันกระใจเจ้าคณะตำบลเส้ น, จนเจ้าคณะอำเภอเส้นแล้วก็นายอำเภอเส้นแล้วก็ทรงไปทั่งสำนักพุทธพอสำนักนับพุทธแล้วก็เส้นรับทราบแล้วก็ทรงกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าเส้นแล้วก็ทรงกัไปให้กรมกรมการศาสนาถึงต่ อ, ตอกระซ่ว แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเงืนกองกลางตีอุตกรัไพ่หนามท่วมเขาก็มีเงืนงบเงื น, ง บ, ง, นงบกองในไวอยู่แต่หลวงพ่อเองกับมาเบิงแล้วก็อืม้มกันเลยเอินพระลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่หลวงตาภายในวัดเนี่ยนะมาเอินปรึกษากันเบิงบอกว่าอาหนา ก็จะตุปัจจัยของเฮ้าก็บพ่อเป็นพ่อไปอยู่เงินกรถิ่นเงินผาปาเงินกระถินนั่นะที่เฮ้าได้มายกย ก, ยกใหม่ๆก็ทั้งวัดย่งางบทัน์ในใส่แล้วก็มาดน้า ม, มาด ถ, ถ่วงถอดกรถินบ ก, กีมือหน้า ม, มาด ถ, ถ่วงเฮ้ากับย่งบระทันใดใส่จะตุปัจจัยนี่เอาเถอะว่จะตุกปจัจปจัยเมื่อไงล่ะสอบวัด เ, เ, เท่าเฮ้ากับมมนสิ่งรีบเปล่ง อ, อยังอา้า ความเสียหายก็จริงอยู่แต่เสียหายถน น, นหนทางสะพานแล้วกับกำแพงหมอเขา่าหมอกแกงของเข่ากับบริษเสียหายพราน้ำรถถ่วมขึ้นมากเสียหายแต่เฉพาะถ้าถาว่าเข่าสอบก็สอบระยะระยะยาวนะไปหมอกแมนระยะสัน้นเขาของหกแ ม, มนแน่วแรงลีบบอกควรจะรบกวนเพิ่มนาะ ควรจะรบ ก, กวนรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็มีผ้าละนักจะช่วยเหลือผี่น้องประชาชนส่วนอื่นส่วนอื่นก็ทางอำเภอนำโสมนา ย, ยุ่งของเฮ้านี่ยกน่นลมออกมากเข่าเสียหายอย่างมากเพราะว่าเขากำลังเก็บเกี่ยวกำลังตากแดด กัฝนก็มาแบบปุ๊บปีปีไม่คุยอีกต่างหากไปมาจำกระเคลนก็ลกหลากไหลหลาดออกมดจนเขาชาวบ้านเนี่ยปว่าเสียหายอย่างมากเลยละ่ะแปลว่าท้ำหน้าทั้งปีนี่ยมดนันแะอันนั้นคือความเสียหายของชาวบ้านคือทุบหมวกหมอกเข่าหมอกแกงเขาแต่ของห้างนี่ทุบกําแพงทุบหัวกทุบ ถนนหนทางบ่อไปยังรอกยังไก่ความเดือดร้อนอยู่ราะนั้นหลวงพ่อก็เลยบอ่อเอายกเลิกบอ่บอบอ่บอบ่ออเพราะว่าน้าท่วมมาที่แรกกำแพงล่มมือแรกเพราะน้าลดหลวงพ่อก็ให้พกล พ, พระคูบา ท, ทั้งหลายสัตยายาดย่ยมลูกศิษย์ลูกหาวกวกรอบวัดไกลเอิญมาก ก็ปักหลักเอาใหม่มาปักใหม่ในวัดเท่ากับมีหลายอยู่แล้วเอาใหม่ไผ่มาตีเป็นห้าแล้วก็เอาสังกะสีมาตีปิดสังกะสีหาหกฟุตหกเจฟุตเพื่อบห่หมูปลาไบา่เก่งผวกฟ้านพวกสัดปลาพวกเตากันั่นแหละบ่ออกไปลุงพอกบปรมาณเที่ยวกันไบ่กบปรมาณที่กัน กักกันเขาโบแมนให้นั่นแหลครับว่ามันออกไปมันจะเลิศลุงเ ร, รื่องก็ะบ่กเป็นหยั่งเพรามันมีปา่าหลงพงไผ่ทั้งนอกอย่างนี้ไม่แต่ปลายหยั่งเขาออกไปก็ไปเข่าหมอกเข่าหมอกแกงเขานะ่ะออกไปตายเราก็สงสารมันเพราะมันบ่งกุจักเราก็เลยปิดปิดไปใช้อยู่ในวัดเท่าปลอดภัยกว่าพอเหนือทีวัดของเขาขกว่างถึงมพันธุ์กุไลพันสามลอยหาซิปราก็คิดว่าหนาจะเพียงพ่อทำมาพวก สัตว์มูนิยูได้เอาก็เลยเอาปิดไว้กปิดไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องความปลอดภัยของสัตว์อยากนี้ไปเขาก็ซอมทั้งในท์แล้วบะงบิบทุนขนาดใดเขาก็ซอมตามที่ ม, มันมีทุนแต่คิดว่าว่านาจะมีปัญหาคิดว่าซ้อมดได้ทาได้ครูบาเ พ, าพิ่นกระถามหลวงพ่อข้อยกันหลวงพ่อจะเหต สะพานก่อนบอกว่าเหตุเหตุกำแพงก่อนหลวงพ่อเออเอากำแพงน่ะ ก, ก่อนเ้อะสอมกำแพงก่อนให้ลวกรอบครอบชิดจะก่อนส่วนทางในใยังคอยมาว่าวกันอีกเพราะสะพานมันตัดขาดในหาใหม่เลี่ยงล่ำให้พระเป็นไดใ้ไต ห, หาเสื่อมหากาดดาันใดอยูอแ่แต่ว่ารถเข็นรถยังไปบ่ได้ละแต่ยางคนรยางไหนยางได้ กับบมียังกับบเดือดร้อนล็อกว่ะนี่แหละอันนี้ก็ บ, บอกกล่าวให้คณะชาติา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่เกี่ยวของใดรับครูรับทราบว่าวัดของเฮาเนี่ถึงจะเดือดร้อนก็จริงอยู่เต็มเป็นระยะแาวบ่แมนระยะสั่นที่ทําให้เดือดร้อนบุ่นไหวมันมีมาเฮายังคอยเหตุคอยทําคอยสางไปแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงแบบในหลวงที่เพิ่นเคยกล่าวเคยพูดไว้นั่นแหละ เฮาบดเดือดปวร้อนอันมันมีมาเฮ้าก็เห็ดอันบ่นมีมาเฮ้า ก, ากับอวัยกรเพราะมันบ่แมนแน่วรีบแนวเล่งอันแน่วรีบเล่งคือขึ้นปากทองของชาวบ้านนะนะั่นแหะอันนั่นคือรีบเล่งพราะนั้นเฮ้าจึงบดเดือเกาขอความแล้วบ่กขอไปทั้งรัฐบาลเฮ้ากับหูจักปมาณพวกเฮ้าอยู่ปลากให้ยู่หูจักประมาณ เฮาคือขนาดนะั้นลูกหลานนะอยู่แบบสันตุถีปละมังทานั่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอภิชาตาเป็นภูมิกน่อยมีก็ตามเท่าเท่าทีมีมีผู้ให้ผู้ใดเดือดร้อนกับพวกเฮาแต่ว่าตามใจจำเป็นจริงๆเฮาก็ยังคอยวา่าขอสวนกลาง อันนี้มันบทถึงขันนั่นในเมื่อบทถึงขันนั่นเท่าคือเอาให้หูจักเมืองพ่อขันโว้คนเท่าอยู่ใสก็ตามขันโบหูจักเมืองพ่อเนะ่มันถูกดเดอโอรนอเมืองพ่อบอมีคนหมู่ล้านเขาวา่าเขาขืนเขาขืนเขาขืนล่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอล่าเมืองอุบนอลนะพอหลวงพ่ออยู่ใกล้เมืองอุบลนะมุกดาหารเลยพ่อขืนไปกับบรรดา บอลโอ้ลรานาะเมืองพ่อบอมีมันก็แมนความเขาอีหลีแ ด, ด้แต่ในเฮ้าเป็นพระเป็นเจาเ้าเฮ้าควรจะมีเมืองพ่อนะี่นแหะพ่อประมา่านการจะพัฒนาเสี่ยงไรกอ็อย่าให้มันเกินอย่าให้มันเวอร์จนเกินไปอให้สวยสงค อ, อนุณหะแต่ว่าตามไม่จริงการสงค อ, อนุณหะในหลวงพ่อเขาบอกค่อคยมองขามนะพวกลูกศิษย์ลูกหาพอเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตา บางคนก็บอกว่าเขาก็ได้ยินมาบาวันเนี่ยลงพอินวัดร้อยลงตาจะไปหัคิดจังสันใดจังไรเฮ้เฮ้ปฏิบัติศีลปฏิบัติร้ำก็จะวัดร้อยพระพุทธเจ้าจังสันทีแมนแบบกรบอกแมนก็เดินตามแนวแถวเพิินมันค่อยถือบอกจังสันใครๆบอกค้นพอถือกันคนอิดช้าก้คนค้นพอถือกนันก็ต้องบอกแบบนั้นละ่ะแต่เขาคนที่ถือกันนะมันก็ต้องมองว่าผู้ใดเดิน ตามแนวแถวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่คู่บาอาจารย์เพิพ่นผ้าเห็ดยังไงเพิพ่นผ้าทำยังไงเท่าก็าเดินตามแต่บวใหาพ้พวกผู้ใดเดือดร้อนเดือดร้อนไหมแพ่ขอผู้ใดให้เดือดร้อนไหมก็บวได้เดือดร้อ น, รอรอนครูบาอาจารย์ลุงตาเพิ่นเคยกันเพิ่นก็บวให้ผูเดือดร้อนขึ้นกันกันผู้ใดมีศรัทธาก็เออเามา พอออกมาแล้วก็รวบร่วมไว้เป็นก่อนพ่อเป็นก่อนเกิมาจะซอยสงเคราะห์ยังโรวงเลี่ยนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์บอุปกรณ์การเรียนการศึกษาวัดว่าศาสนาวัดใดที่ขาดโตขาดเหลือขาดโตกปกป้องเข้าก็บซอยวัดไปอันไหนที่มันพอที่ซอยใดกันซอยบรรย่ใดเขากา็เออมันหนักเกินไปตัวนี้เข้ากับโบแมนทีถ้ามายัง ออกนอกลูนอ ก, นอกทางพอมีเงินก็จะหาแพรหาขอเตี่ยไล่พี่นองอลงพอเบาไดือดและพูดเดือดว่าวัดปลาหน้าคำหน่อยของเขาเนี่ย่างพระท่านเคยมีติดซองผ่าปลาติดซ่องป่ า, า, าปลาแพรขอน่ยย่งพระท่านมีอันนี้พอเหตุใดก็เพราะย่งพระท่านจําเป็นแต่ก็ย่างโบโบปฏิเสธว่าต่อไปไพา่พาักหนาพอมีทามันจําเป็นอาจจะมี อย่างงงตามหาปัวคือกันสมัยก่อนเพิ่นกับกมีดหลวงพ่นนะอยืนหลเพิ่นอะบุกค่ยมีดอกอกซ่องผ่าป้าเนะ่ยพอมีมาเพิ่นก็ห่าให้เลยนะพอต่อมาเนี่เพิ่นก็หาทองขํเข า, ขาเข่าข้างหลวงอถอดกระินถอดผ่าป้ากันเนี่ยนะพิมพ์ซ่องปานพ่อผัวหาดข้องทองเข่าสวนกลางเลยว่ามันเข่ากระเป๋าเพิ่นเ่ะว่ามันเข่าวัดปลาบันดาลเข่าข้างหลวงอะ ในเมื่อเขาคลั่งหลวงนะเพิ่อนก็เอาซ่อยๆกันเด้อจากนั้นมันก็มีซ่องผาปลาแปดนันปีนันไปว่าผาปลาใหญ่เลาไม้ผาผาปลามันใหญ่กล่องละแปดพันกล่องละแปดพันงแปดพันสี่แปดมืนสี่พันกล่องอีกต่างหากนะคิดว่าเอาแล้วต้องให้ครบนะขันบอกครบน่ลูกซิดเท่าสอนลูกซิดมาเป็น สามสี่สิบห้าสิบปีเราขนาดเพียงแท้นีบไดาเข้าเสียตายบอให้ลูกศิษย์เทีนหนาพอนะปีนั่นวะรอยวอยต่างคนกันต่างโตโตโตอเพราะว่าเพิ่นบวบ่าเนี่ยเพิ่นบ่าวบ่าให้เพิ่นเพิ่นบ่าให้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองลูกศิษย์ลูกหาที่มั่งมีกับพ่อมีเป็นอยู่มากขี่แต่นี่ที่เหนียวต้อหนาของเพิ่นเนี่ย มันไม่น่าจะถูกเพิ่นก็ว่ากันแล้วเอ่อมันต้องมาควักก็มาช่วยชาตินั่นด้วยกันเอ่อผู้จนเพิ่นกะะ็บว่าอะอเพราะมันโบมี่เอ่ผู้ที่มีอยู่แล้วนะเออพ่อมีอยุนะเอ่อต้องมาซอยเอ่อ ป, ปีนะั่นนะปีลงตากรินปีนะั่นนะแปดมื่นสี่พันกล่องกล่องละแปดพันโอ้ ของเข่าหรือออกไปมัดหลายเงิ น, นกันเด้วัดของเข้านะ่ะเออผลในชุดก็เหลือเฟือนะเหลือเลยวันออกไปนนี่แหละอันนี้ก็คือปลาปลาของหลวงตาเผลกะมีเพ่นเข้าถึงมันมีอันนี้คือกันนะวัดเท้านี่เตี๋ยวนี่โบท่านมีสร้างวัดมาตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่นี่ตั้งแต่ปีสองสามเป็นปีเริ่มวัดปีสองหาลวงพ่อมาอยู่ประจํา สองหาจะเ ป, ป็นปีหาเก่าปีนี่แหละเออยังพระท่านเคยมีซ่องผาป่าเออแต่ว่าบอกเคยมีเช่ยใชจะไหมชรงพอก็มีอยู่มีตรงตีวายังกรมทหารเขาเกรมทหารหน่วยงานเขาจะมาถอดกระถินเขาก็มาบอกว่าหลวงพออ่อผมข อ, อ, อซ่องผาป่าเนี่ย เพื่อไปแจกในหมูของผมใดบอจ้องซ่องกระถินเนี่ยไปแจกในหมูใดบอพ่อขันว่าจะไปแพรขอจากหมูเพื่นอนบ่มมีซ่องเนี่ยจ็คสิวอแบบไดปนั้นผมขอซ่องเพื่อไปแจกในกลุ่มของผมแต่ออกออกในซื่อวัดหลวงพ่อจะคัดของบอเข้าไปเออขันแจกในหมูในเพื่อนบอกก้าวกันหลวงพ่อเขาบอวะบอวาหยัง่ง การออกมาแจกแพ่ขอในสาธารณะเนี่ยหลวงพอบ เ, เห็นด้วยเนอะยังบอกอนุญาตครับอันนี้เขาก็เคยมีในกลุ่มของเขา น, นี่จันทวาหลวงพอบอกให้ฟังคือยังเคยเห็นเคยมีอยู่หน้าหลวงพอก็บอกบอกให้ฟังได้เลยระลึกบุได้ว่าได้ปล่อยให้มีผ่าป้าออกไปมีแต่ลักษณะจังจันละ แต่ไปต่อไปผ้าหากหนามีไหมแต่หลวงตาเป็นกระพ่ามีหลวงพ่อก็บอกก็บอเว่าว่วงหนาไปขึ้นกันนั่นแหละอาจจะมีแต่ถ้าว่ามันมัมีความจําเป็นจังซี่ล่ะก็คงจะบอกมีไอ้ยังพรเขาเป็นพระปลาพระทุหลงพระกรรมฐานอยู่หมู่ ม, มูสี ส, สีไปแต่หลวงตาหลวงอ า, นงอ า, นางอเนี่ยหลวงอาหลวงพ่เนี่ยโอ้จริงจังไอ้หลเรื่องเนี่ เรื่องแพลเรื่องคอเนี่ยป้อไรเด็ดขาดลงอาจาบนะลงปูจบับลงอาจาบนะจะไปว่าวต่อหน้าเพล่เรื่องจะถูกปัจจัยเรื่องเนงะิานเนะนี่ยยาน้าโรดเดินลงไปพระมันหาทางนรกนานะ้าโรดน่ะหลงตาลงอาจาบนะโอ้นี่นแหละได้วัดของหลวงปูหลักให้กันเพราะนั้นหลวงพ่อศึกษามัน่น หลวงตาหลวงปู่หลาก็ตามหลวงปู่จามก็ตามหลวงตามหาบัวก็ตามนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยได้ศึกษามาได้ฟังคูบาอาจารย์มาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงละเวียงระว่งเรื่องอติเลกกระล า, เ, าเรื่องแพ้เรื่องขอหนะลวงตามหาบัวนะพูดแล้วพูดอีกส ก, กัโรโพธิสังหันติลาบส ก, กาละ ยอมฆ่าค้นให้คนโง่ให้ตายไปนะสักโกรปริสังขันติลาบสักการะยอมฆ่าบุคคลโง่ให้ตายาพระองค์ไหนก็ตามทำมกมุ่นในอติเลกกะลาบาก็มันทำให้จิตใจเนิ่นชาปฏิบัติสูมักผลนิพพานในยากเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่หลวงพ่อ ได้บ่อให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อบ่ได้ว่อเพื่อวัดอื่นเนี่บ่ได้พกบ่อเพื่อกระทบกระแทกวัดอื่นบ่อให้ลูกศิษย์ลูกหาที่หลวงพอ่อที่มาอยู่กับหลวงพอ่อที่นังทั้งสายมือหลวงพ่อเนี่ยพระทั้งสีสิบเอองค์เนี่ยนะอ่าพูดที่ใหญ่ต่อไปพพ่ภาคหนาให้ฟังเอาไว้แนวปฏิปทาของหลวงตาแนวปฏิปทาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพอ่อพาดําเนินจังไรให้เบิง้งให้ฟังเอาไว้ให้ยึด แนวแถวนี่ยใหู้้ใส่ให้เป็นภูมิคุ้มหน่อยสันโดษอย่าไปแพ้อย่าไปข อ, อตัวเองเกิดมาหลวงปู่จามพ้นสอหลวงพอ่อเอี่ยพันหลานนเนี่ยพันอนหลานค น, น, น, นไปหลวงอาตามนลวงพั น, นหลานโต๊สเรารู้ไหมเราเกิดมาชาตินี้เป็นลูกชาวนาเราต้องอยู่แบบสัมปถะเข้าใจไหม เทาต้องอยู่แบบสมถะอยู่แบบพ่อเพียงให้ปฏิบัติไปพอเาเกิดมาจนต้องรักษาศีลภาวนาพอขาดาการทำคุณงามความดีโมเมนที่ไปสางอย่างเดียวโมเมนจะไปแพร่ไปขอได้เงื่อนมากสางอย่างเดียวรักษาศีลภาวนาปฏิบัติก็เป็นหนทางหนทางการสางบุญสางกุศลขันว่าเกิดมาพบนายชาตินา เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นลูกกษัตริย์ข้าวหนังที่สางทีเห็ดยังค่อยเห็ดยังคอยทําทําบุญสางเลยเออนี่ยแหละเฮาเกิดมาสัตว์เกิดมารวยแล้วเออแต่มันบมเไปอย่างสั้นเน๊ะเพราะเฮาเกิดมาเป็นคนยากคนจนผดผุนกระเสือกกสนไปหาของเงินผู้อื่นมาทําบุญไปหาแพรหาคอเขาเออมาทําบุนมาสร้างนั่นมาสร้างนี่นมาทําบุญ ตัวเองเป็นเกิดมาถ ก, พ, กาพ่อเกิดมารุ้ยปัดลืมเจ hold, ้าของบ้องหุ่ักษ์ทำบุญทำท่าน พ, Canyon, mon, พุ่อนอะเอาเงินไปใส่ย่างเอินอีลุ้ยฉุยแฉกไปมัดเออไปถมไปทางอื่นทั้งโจล่าหน้ารี่ผ้าซี่กีลาบัดเออพ่อรุ้ยขึ้นมาแล้วบ่อเห็นบ้อเห็นะมองบ่เห็นการทำบุญทำท่านนั่นล่ะถ้าเป็นลักษณะแหละวินญาณโง่ห <seasons detto> <alpha> ลวงอาเจ้าบ่เถอะนะ ใจงโง่วิญญาณโง่พอมันจนขึ้นมาอยากจะถ้ำบุญพอมันรวยขึ้นมามันลื้มเจ้าของเพราะนั้นต้องเบิ้งเจ้าของนะอันนี้หลวงอาหลวงอาเปิ้ลสอนหลวงพ่อได้อันนี้อันนี้กับเฝ้อว่าให้ลูกติศลูกทิศลูกหาลูกหลานที่เป็นลูกทิศลูกหาพาเน่นหลวงพอ่อได้ฟังศึกษาเอาไว้แมนบอ นำไปคิดนำไปกันกลองไต่ตรองดูเพราะว่าการสั่งคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบอมแมนที่สั่งวัตถุอย่างเดียวศึกษาธรรมะจากนั้นก็นลงมือประพฤติปฏิบัติรักษาศีลให้แข็งครัดรักษาประธรมวินัยแข็งครัดสำรวมกายว่าใจาใจของเจ้าของให้เป็นพระอย่าออกนอกลูนอกทาง จะไปเห็นแกปากแก่ทองจะไปเห็นแกอยู่แกกินจะไปเห็นแกหลาบแก่้วยจะไปเห็นแกเงินข้ามรัพย์สมบัติภายนอกให้เห็นแกสศีลแก่ถ้ำนี่แหละให้ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่หลวงตาอ่เพิ่นแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อมาเนะ่ะเพิ่นป่าจังที่นะลูกหลานนะ่ะนี่แหละนันให้ต่อพวกเขาให้เบิ่งให้สำรวมระวังถ้ามันมีมา บบมีม า, ม า, มาเข้ากับกบัวมีมาหมากาบเข้าก็เก็บใบเก็บใบเพื่ อ, อยังเก็บไใบเพื่ อ, อยังมันก็ต้องมีความเพลือขึ้นกันบอแมน่นสีมีเท่าไหรก็ปล่อยไปเมืก่กระบอแมนอย่างวัดของเข้าดังสีขึ้นกันไทยได้มากเลสิเข้าก็จะต้องได้เบิงว่าผาแน่นของเข้านี่ศรัทธาญาติย่อมของเข้าที่มากเกี่ยวของนี่ยเข้าจีใส่จังไรเข้าจีเก็บจังไร ด, ดูแลผาแน่นจังไร เฮ้อันนี้มันก็ต้องมีเพราะเหตุไรเพราะการอยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นคณะเนี่ยมันก็ต้องเก็บเบื้งการบริหารจัดการต้อ ง, องรู้ตรงแลกการอยู่ผู้เดียวบว่าแล้วอยู่จังไดก็ได้อยู่ผู้เดียวนะอแก่ผายอยู่ก็ได้พออยู่ผู้เดียวนะแต่เป็อยู่กับหมู่กับเพื่อนบ่อยแหละจะต้องมีตูแลเก็บไขได้ป่วยเหตุจังได เวลามีความจําเป็นมากเห็ุจังไรที่เป็นหัวหนา้ายังลงพอเนี่ยลงพอได้คิดได้เนี่ยแหะการว่างแผนผู้ที่จะเป็นหัวหนา้าขึ้นกันนะอ่แต่ว่าเป็นจังไรก็ตามได้มากโดยเป็นถ้ำเก็บไว้อ่าใส่ใจตามความจําเป็นอย่าไปใส่ใจช่วยลุยช่วยไหลขันหัวใจไปแล้วมันเมิดไปแล้วไปขอจากทัศน์ทายแย่โน้มผู้เกี่ยวของผู้อยู่ใกล้เขาก็เดือดร้อนขึ้นกัน เออพอนั้นพวกเข้าไดกระิ้นผาปามากเออเป็นตะเก็บไปเอาส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ใส่ใจไปอส่วนที่เก็บเกิดเก็บไว้เพื่อยังก็เพื่อพระเพื่อแน่นเพื่อผูกเกี่ยวของภายในวัดของเขานี่จังหนามถ่วมจังซีแล้วเขาก็เด็ดใจนะถ้ามีปัญหาอยังเกิดขึ้นเขาก็เด็ดใจจะตลอดถึงพระเน่นล้มตายในวัดเ่ะเขาก็ได้ใจขึ้นกัน เ, ออเวลาพระเนีน่ยเจ็บเก็บไปได้ป่วย ยากมากนะฮ้องจะเอาปัจจัยใส่ๆก็ต้องได้คิดไว้ขึอนกันเพราะฮอมีหมูมีเพื่อนเลยการม า, าอยู่ผู้เดียวยังว่าน่ะมันบริคิดอย่างไรอยู่ผู้เดียวก้มันอยู่หลายคนก็ยังทีหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่แหละนี่แหละอันนี้คื อ, อบริหาราดูแล ในการเป็นอยู่ในสถานะของพวกเข้าเข้าอยู่จังสี่เข้าควรปฏิบัติจังไรจึงถูกต้องเป็นธรถ้อแต่ถทีอย่างไรก็ตามจุดมุมหวังมุ่งหมายของเขานะถึงจะล่มลุกคกข้านขนาดใดก็ตามมันไปถึงจะท้ำยังก็ตามที่หลวงพอบอให้มากเหยื่อเน่าวนี่ก็ตามถึงจะล่มจังไรก็ตามลุกจังไรก็ตามแต่กว่ามุมหมันมุ่งหมายของเข้า เออคือยอดเขาพระจูมเมนขันไปขมคำเมนยุบก็เมนอยู่แนวถินนี่คืมีพระเจดีย์อยู่แถวเนี่เข้ากับเงลูกขึ้นมากก็ต้องบังยอดพระเจดีย์คนพระเจดีย์คืออย่างคือข้าพระเจ้าต้องการมรรคผลให้ผ่านขอให้ถึงพระนิพพานอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกอตามแนวแถวพุทธะที่พระพุทธเจ้าสอนพระสาวกอย่างไร พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างไรพระสงฆ์สาวกที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ทั่งใดสําเร็จมรรคสำเร็จผดอย่างไรขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคผลตามแนวแถวพุทธะเนอร์นะเนี่ยสอนจังไรเข้าปฏิบัติจังสัตย์อันนี้ก็คือความมุ่งหมายมุ่งหม่นของเข้าโมเมนต์เข้าจอกินข่าอิม่มกินอ อาหารอร็ตอร่อยก็ น, นอนตีพุ่งบวกคิดบวอา่านโมแมนต์เลยอันนั้นบมเมนตอบมเมนแบบนะแบบหมูนะอพระหมูนะหมูอยู่ในเหล่าหมูอยู่ในกลงเหรอไปกินอาหารกินห่ำแล้วก็นอาหารโน่นเข้าไปแล้วกันนะ่ะออกินก็นอนอืดอืดเลยนะเอาน้าพดใส่กระนำเย็นผุ่นนะบาหามันใหญ่ๆขึ้นมาก พอสั่งกิโลขายขึ้นมาหนะบานเนียเขาสั่งกิโลขายพอขายไปแล้วค้อก็ทุบหัวหรือมีดเขาปาดข้อบรนาบานะันย่องห้องดินสักดินสักง อ, อาตายไปแล้ว น, ะนี่คือกันนะ่ะกันท่าว่าอยู่แบบบกคิดปกอานะ่านอยู่ไปอยู่ไปเทาแก่ไปพยัญชัะจุราคือความตายเขามาถึงบาทนะเนี่ยแต่ก่อนก็ว่ามีความสุขแล้ว อ, อยู่กับมูอยู่กับเพื่อน เฮ้มีอยู่มีกินเอ้มีผูดมีคุยมีสนทนาปลาลบมีจังมีความสุขอะบาราความตายมาถึงนะคนเท่าต้องตายเดะบรารณะภัยเขามาถึงทุกคนต้องตายในเมื่อความตายมาถึงบาร์เนี่ะตะลี่ตะเลือ ก, กระเสื้อกกระสนระบาดอา่โอ้กิดว่าขามีความสุขที่แถมมันโมแมนตัตวเนี้ยมหาขั้นทุตายมันมันถูกปันหนีตัวใจสิขาดเนี่ยนี่แหละ อันนี้พวกข้าก็ต้องคิดถึงจุดนั้นอีกคือกันพระพุทธเจ้าเป็นวา่าไม่น่าจะมา เ, าเวียนไหวตายเกิดอีกถ้าเกิดพบนายชาติหน้ากับเป็นเนื้อที่แล้วเกิดมาตอนสีตายนตะ่ทุกข์หลายอีกแต่เกิดมาอีกพอเกิดมาอีกก็ก่อนที่ตายก็ทุกข์อีกเกิดมาอีกเออนี่แหละการเวียนไหวตายเกิดมันมิตรถุผล น, นั้นบ่มากเกิดซะจะทำอย่างไงจึงจะบ่มากเกิดต้องชำระต้องชําระใจ เพราะสิ่งที่มันพามากเกิดนั้นคือกิเลสกิเลสรนะาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะที่ทำเทหิมาเพียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะรรรพระพุทธเจ้าพนมเพชรจังไดคือชําระมันเป็นก็มีวิธีกรรมพิธีการนะคือตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญานะเอ่อเข้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์อันดับแรกเนะี่ยอย่างที่ว่าลงที่วิวห้ฟังหยืดเงาเนี่นะศีลศีลแหละนะเรื่องศีลทั้งหมด บ่อยแพ้บ่อยขอให้อยู่แบบเป็นพระนะ่ยนี่แหละเรื่องศีลทั้งหมดนะที่ว้ามานะเมื่อศีลของข้อมบริสุทธิ์ปฏิพฤติปฏิบั ต, บตถิถูกต้องแล้วนะ อ, อใจของข้อเขาเบล ก, กระเสือกกระสนไปทางนอกนะเมื่อศีลปกเป็นศีลเป็นลัวนะ่ว่ะจากนั้นก็ น, นั่งสมาธินะเพราะนั่งสมาธิจิตใจเขาสู่ความสงบจิตใจนิ่งนะ่ะ พ่อจิตใจเขาสู้ความสงบเดินวิปัสนาพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาการเป็นอยู่ของเจ้าของพิจารณามันหลงอย่าง่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าหลงร่างกายเนอะอ่ให้มันหลงร่างกายเนี่ยพอเป็นหลงแนวอื่นอันดับแปรหลงเจ้าของนะหลงร่างกายเนี่ยว่าคิดว่าร่างกายเจ้าของเนี่ยจะอยู่นา่นเท่านั่นตายบอเป็นท่านไปอ่าเพราะตายคิดว่าตายพอเป็นกับหลงพีหลงน้องหลงหลูกหลงเมีย หลงสับสมบัติหลงการเป็นอยู่ของเจ้าของมันหลงไปมดัดหนดถามบรรดาซักทั้งหลายทั้งปวงเออว่าเจ้าของสิตายพอเป็นบาฮนี อ, อมันตายเป็นเด้ร่างกายสังขารมันโมเมนเจ้าขอ ง, อ, งอีกสักมือนึงนะแกเขาไปแกแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายพ่อตายเลยเ อ, อขนาดร่างกายเจ้าของแต่แฉ่งโมเมนของเจ้าของยังตายเป็นอยู่ ละเอียดพินองเพลินฝูงวงสาคนาดลติยดถามบรรดาศักนะั่นมันจะเกิดประโยชน์ยังขนาดร่างกายจังบมเมนของเจ้าของนะ่ให้เบิงเบิงมหาจุดหนีนะจารน่ะถามบั่งใจของเจ้าของเนอะี่ยที่พิจารณาทุกท่าจริงๆมันแมนบาใจนะ่ยคือตัวผู้ลูลตัวนึกคิดเนะ่ยมันก็ยอมหลับนะ่พะพอจิตใจผ่านสมาธิมาเลยเนะี่ยจิตใจผ่านสมาธิมันจิตใจนิ่งเนะ่ะมันจะหูได้เลยนะ อพิจารณาล่างกายก็เห็นล่างกายชัดเจนจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายค่ายบ่อยึดมันถือมัน่ในิพิธาเกิดขึ้นในจิตใจจิตจากนั้นก็จิตใจก็ถอนกิเลสลากขาโทษสาโมหาออกจิตใจก็บริสุทธิ์รุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละสรุปแล้วมันมาหาใจทั้งมัด น, นะเอพระเนรูกรานศรัทธาญาติโยมนะเรื่องการปฏิบัติธรรมบ๊แ ม, มนปฏิบัติส่วนอื่นกัแมนอยู่เอาว่าเรื่อง เอปลายเรื่องยอดมันแต่หมองเหงามันแต่เนี่ยคือใจใจกอครึ่งหักแก้วนั่นนะหละหักแก้วของกิเลสของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็นําเข้ามาหาหักแก้วพิจารณาเบิงแล้วก็ถอนความรู้สึกนึกคิดเกิดความเบื่อนายค่ายกิเลสมันอยู่ในใจไ่เ ม, ม็นอยู่ในหมองอื่นแต่มันหลงมันหลงอย่างนะก็อย่างที่ว่ามันหลงกาย พอหลงกายแล้วมันก็หลงแนวอื่นหลงไปมืดหลงพีหลงหนองหลงวัดหลงว่าอย่างหลงพอจริงๆเลอเห็นศรัทธาญาติโยมมากเอยศรัทธาญาติโยมมากเน่ะเบื้องกันหลงวัดหลงหลงบริหารวัดของห้องมันกว่างศรัทธาญาติโยมลูกชิดลูกหามากไหมขั้นจีิหลงนะมันหลงไปแล้วอปพอมาพี่หน้ามันแมนไปละมันย้อนมหาเจ้าของ ร่างกายของหลวงพ่ออินก็ม่นหมานของหลวงพ่ออินเนีอีกสักมือหนึ่งสีเขาจะเผาไฟถิงอยู่เด้ฮะมันแมายบ่ละขนาดร่างกายยังหมายเนของเจ้าของวัดว่าศาสนาจะเป็นของหลวงพ่ออินใดจังใดเบื้องให้ดีเนียนี่หลวงพ่ออินก็เตือนหลวงพ่ออินเออช่แมนอขนาดร่างกายของเขาเขาจะเผาไฟถิ่งอยู่วัดว่าศาสนาจะเป็นของเขาใดจังใดเป็นของกลางเป็นของพุทธศาสนา เพราะนั้นยาหลงนะเนี่แหละจากนั้นก็เบิงกายแล้วก็เบิงใจตัวผู้รู้ตัวนึกคิดคนให้ความสําคัญตัวนึกคิดเนี่ยสำคัญกว่าเลยตัวรู้ตัวนึกคิดเนี่ยสำคัญมันโนปุพังคมาธรร ม, มามนโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเนี่แหละมันออกจากหันทั้งหมด ศรัทธาหยาดย่อมผาเน้นลูกลานตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์อนุมโมทนาให้พรแลบพนนะบรนบานีน่า